นิทานเรื่องที่สพระเจ้าตริวิกรมเสนจำต้องเดินทางกลับมาตามเส้นทางเดิมอีกพระองค์ทรงพบสร้างศพภาพอยู่บนกิ่งอโศพจึงปีนขึ้นไปนำศพลงมาภาบาบ่าแล้วเดินกลับมาทางเดิมพระเจ้าตรีวิกรมเสนทรงพยายามรักษาความเงียบอย่างยิ่งแต่แล้วเวตาลก็เอ่ยขึ้นว่า ข้าเราไม่เข้าใจจริงๆเลยท่านจะสู้ทนความละบากเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้ทำไมในเมื่อไม่ใช่ธุระของท่านดังนั้นข้าจึงคิดว่าข้าควรจะเล่านิทานให้ท่านฟังอีกสักเรื่องดีกว่าพระเจ้าตรีวิกรมเสนไม่ทรงโต้ตอบแต่อย่างไดทรงดำเนินไปในสุสานอย่างเงียบๆกาละครั้งหนึ่งนเมืองปาตาลีบุตรมีพระเจ้าวิกรมเกษรินปกครองเมือง พระองค์ทรงมีนกแก้วตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากชื่อว่าวิทักทจูทามนีเป็นนกแก้วเพศผู้ที่มีความฉลาดและมีความรู้ในด้านภาษาสันสกฤตอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาต่อมาพระเจ้าวิกรมเกศรินได้อภเยพสมรสกับเจ้าหญิงจันทราประพาแห่งแคว้นมคตซึ่งเจ้าหญิงเองก็ทรงเลี้ยงนกขุนทองเพศเมียไว้ตัวหนึ่งเช่นกันมีชื่อว่าโสมิกา เป็นนกที่มีความฉลาดไม่แพ้นกแก้ววิทักทัจูธามณีเช่นกันหลังจากพระเจ้าวิกรมเกษลินอภิเสกกับเจ้าหญิงจันทร์รประภานกทั้งสองจึงได้อยู่กรงเดียวกันแต่นกขุนทองนั้นกลับมีท่าทางรังเกียจนกแก้วตั้งแต่วันแรกวันหนึ่งนกแก้วเกิดอยากแต่งงานกับนกขุนทองนกขุนทองจึงกล่าวว่าถ้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าหรอกพราะข้าไม่พิสว่สผู้ชายที่ไหนทั้งนั้น เชื่อว่าผู้ชายก็ชัว่วร้ายทั้งนั้นนั่นแหละทั้งสองถกเถียงกันยังไม่มีใครยอมใครในที่สุดจึงพนันกันว่าหากนกแก้วชนะก็จะได้นกขุนทองเป็นเมียแต่หากนกขุนทองชนะจะได้นกแก้วเป็นท่าตลอดไปทั้งคู่จึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาเจ้าชายเจ้าชายจึงให้นางนกโสวิกาบอกเหตุผลว่าทําไมผู้ชายถึงอกตันยูเรื่องมันมีอยู่ว่า ในอดีตการมีชายผู้หนึ่งนามว่าธนัทอาศัยอยู่ในนครกา ม, มนทกีเขาเป็นผู้มีนิสัยชอบเล่นการพ น, นันพลานเงินทองบิดามัรดาจนหมดตัวเมื่อบิดามัรดาสิ้นลงและไม่มีทรัพย์สินใดๆเขาจึงต้องเร่ร่อนไปยังเมืองต่างๆจนมาถึงเมืองจันทนาปุระธนั์ได้อยู่อาศัยกับพ่อค้าผู้เมตตาคนหนึ่งซึ่งเขาเห็นว่าธนั์มีรูปร่างลักษณะ จึงได้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมและยกรัตนาวดีลูกสาวคนเดียวให้เป็นภรรยาธนาทัศน์อาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อค้าด้วยความสะดวกสบายใช้เงินทองอย่างสุรุ่ยสุรายและกลับติดการพนันอีกครั้งธนาทัศน์จึงได้ออกอุบายว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแต่แท้จริงแล้วเขาต้องการกลับไปเล่นการพนันที่บ้านของตนพ่อค้าสูงวัยไม่อาจปฏิเสธได้จึงให้นางรัตนาวดีและแม่เท่าเดินทางไปด้วย เมื่อทั้งสามได้เดินทางมาถึงกลางป่าธนาทัตได้คิดแผนการชั่วขึ้นโดยออกอุบายว่าในป่าแห่งเนี้ยมีโจรชุกชุมยิ่งนักน้องจงถอดเครื่องประดับมีค่าทั้งหลายฝากไว้กับพี่เถอะนางรัตนาวดีไว้ใจสามีจึงยินยอมทาตามโดยหารู้ไม่ว่าภัยร้ายกำลังจะมาถึงตัวเมื่อธนทัตได้ของมีค่าจากนางแล้ว ก็สบโอกาสผลักนางและหญิงชราตกเหวส่วนตนรีบเดินทางต่อไปหญิงชรานั้นเสียชีวิตอยู่ก้นเหวส่วนนางรัตนาวดีตกลงไปในพุ่มไม้เลื้อยนางจึงรอดชีวิตเมื่อรู้สึกตัวนางจึงเดินทางกลับบ้านจนสำเร็จนางรัตนาวดีกลับมาเล่าให้บิดาของตนฟังว่าระหว่างทางถูกโจรปล้นส่วนแม่เท่าถูกผลักตกเหวตายนางรอดเพราะตกลงในพุ่มไม้ สามีของนางถูกโจรลากตัวไปทางด้า น, นาธนทัศเมื่อเดินทางมาถึงบ้านเกิดก็เที่ยวเล่นการพ น, นันกินเหล้าเมายาจนในที่สุดเงินทองที่มีก็หมดไปจึงคิดจะเดินทางกลับไปบอกพ่อตาว่าจะนาเงินมาทำทุนค้าขายและจะบอกว่าภรรยา ย, ยังพักอยู่ที่บ้านของตนครั้นรุ่งเช้ า, นาธนทัศจึงรีบเดินทางทันที เมื่อไปถึงบ้านเขาต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าภรรยาอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยแต่นางรัตนาวดีบอกกับสามีตนว่าไม่ได้พูดความจริงแก่บิดาเมื่อสามีได้ฟังดังนั้นก็ค่อยสบายใจฝ่ายพ่อตามแม่ยายเห็นลูกเขยกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจจากนั้นมาธนทั์ก็อาศัยอยู่ในบ้านของภรรยาและมีเงินทองใช้อย่างสบายเรื่อยมาแต่อนิจจา คนชั่วก็คือคนชั่วอยู่วันยังคำ่ำคืนหนึ่งเขาได้แอบข่าภรรยาของเขาแล้วขโมยเอาเงินทองของมีค่าต่างๆกลับสู่บ้านของตนมีชีวิตหลบๆซ่อนๆตั้งแต่นั้นมาแล้วอย่างเนี้ยท่านจะว่าผู้ชายไม่ชั่วได้อย่างไงเมื่อพระราชาฟังนิทานของนางนกขุนทองแล้วก็หันมาถามเหตุผลก่อนนกแก้วบ้างเอาละคราวนี้เจ้าลองเล่ามาสิว่า ผู้หญิงน่ะเลวร้ายยังไงท่านจงฟังให้ดีอันผู้หญิงนั้นเต็มไปด้วยจิตหลอกล่อเป็นคนทุศินข้าจะเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวนี้แหละนะเมืองหันสาวดีมีเศรษฐีนามว่าธรรมทัตเขามีลูกสาวโฉมงามนามว่าสุรรทัตตาซึ่งต่อมานางได้แต่งงานกับพ่อค้าหนุ่มนามว่าสมุทัตทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งจนกระทั่งสมุทัต ผู้เป็นสามีต้องออกไปทำธุระยังต่างแดนนางสุทธาตาก็ไม่ได้ติดตามไปด้วยในวันหนึง่งขณะที่นางสุทธาตานั่งเล่นอยู่บนดาดฟ้าของคฤรืหัดทันใดนั้นนางก็เผลอไปสบตากับชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งทั้งสองต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันและได้ลักลอบเป็นชู้กันในที่สุดจนกระทั่งผู้เป็นสามีเดินทางกลับมานางสุทธาตากลับแสดงท่าทีเหินห่างไม่ใยดีเหมือนแต่ก่อนในใจคอยค้นหาแต่ชายชู้ คืนหนึ่งสามีของนางได้เสพสุราจนหลับไปนางจึงแอบลอบออกไปหาชายชูขณะนั้นมีโจนแอบเข้ามาในบ้านแต่กลับพบกับนางสุทธาตากำลังแต่งตัวประดับของมีค่ามากมายออกไปกลางดึกจึงรีบตามไปด้วยความสงสัยขุนโจรติดตามนางมาจนถึงอุทยานที่นัดหมายกับชายชูไว้แล้วนางก็ตกใจฉุดีดไม่เห็นร่างของชายชูถูกแขวนคอกับต้นไม้เนื่องจากตำรวจมาพบชายชูแอบดัดดมดมมองอยู่ในความมืด คิดว่าเป็นโจรนางสุทธาตาได้นำร่างชายชูลงมาจากต้นไม้มันก้มลงโอบกอดเขาไว้อย่างอะไรทันใดนั้นเวตาที่สิงร่างชายชูก็ได้โทรออกมากัดจมูกของนางสุทัาตาจนแหว่งนางตกใจรีบวิ่งกลับไปด้วยความอพยศปวดสูงคุณจอด้ดยความอยากรู้ว่านางจะทำอย่างไรต่อไป จึงติดตามนางไปถึงบ้านอีกเมื่อ น, นางกลับไปถึงบ้านก็บอกแก่พ่อและแม่ของตนว่านางถูกสามีของนางกัดจมูกแหว่งฝ่ายบิดาเชื่อลูกสาวจึงจับตัวสมุทรทัศนกเขยไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อให้ตัดสินคดีนางพระราชาก็รับสั่งให้ประหารชีวิตสมุทรทัศน์ทันทีแต่แล้วขุณโจรซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ปรากฏตัวขึ้นและเล่าว่าชายผู้นี้ไม่มีความผิดและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยตลอด ขุนโจนได้แนะให้ส่งคนไปตรวจดูจมูกของนางในปากของศพชายชูเมื่อพระราชาส่งราชบุรุษไปดูสถานที่เกิดเหตุก็พบชิ้นส่วนจมูกของนางอยู่ในปากของศพจริงพระราชาจึงตัดสินใหม่ให้นางถูกประจานแล้วในประเทศนางไปเท่าที่ข้าเล่ามาท่านเห็นหรือยังว่าผู้หญิงนั้นเลวจริงเมื่อเจ้านกแก้วเล่าจบก็ได้พ้นคาสาปของพระอินทร์โดยคืนร่างเป็นคนทัน สนนางนกขุนทองก็กลายร่างเป็นนางฟ้าและทั้งสองก็ล่องลอยสูงสวรรค์แต่คำพิพาก์ของทั้งสองก็ยังไม่ได้รับการตัดสินแล้วท่านละ่ะท่านราชาช่วยตอบมานหน่อยสิว่ายิงกับชายใครเลวกว่ากันเอา้าเงียบทำไมอ่ะเอรู้ว่าจะกลัวการตอบคำถามเพราะกลัวหัวจะระเบิด น้อนเจ้าเวตาลเจ้าเลยจะหลอกให้เราวนเวียนอยู่ในสุสานนี้อีกหรือซิเราจะดูซิข้าหรือเจ้าจะมีความพยายามมากกว่ากั้นใครว่าข้ากลัวล่ะผู้หญิงเลวในเรื่องของนกแก้วนั่นแหละเลวที่สุดเพราะผู้ชายอาจทําชั่วได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ผู้หญิงน่ะทําชั่วได้ทุกโอกาสเมื่อพระราชาตรัสดังนั้น เวตาลก็หัวเราะก้องกังวานหายวับไปยังต้นอโศก ท, ทันทีพระเจ้าตรีวิกมเสนจึงต้องเดินกลับไปยังต้นอโศกอีกการที่คเราจะเลวหรือจะดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศแต่ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและพื้นฐานทางด้านสังคมของแต่ละคน